ก็คือนะทำทั้งหลายนะมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจหรือว่าสำเร็จแล้วที่ใจนะข้อความนี้เนี่ยมันมีความหมายนะหลายแง่หลายมุมนะซึ่งถ้าเราเราลึกถึงอยู่เสมอแล้วเราเข้าใจอย่างแจ่มชัดเนี่ย มันก็จะช่วยในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติในความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นรวมทั้งในการเข้าใจตัวเองด้วยคาว่าทำทั้งหลายเนี่ยนะด้วามีใจเป็นใหญ่เนี่ยทำนะทำมตธรรมะในที่นี้ก็หมายถึงทุกสิทธ์กันนะยกตัวอย่างเช่นการพูดดีนะการทำดีเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นที่ใจก่อน คนเราเนี่ยถ้าหากว่าใจามันเป็นอกุศลแล้วเนี่ยจะให้พูดดีทดําดีพูดเป็นกุศลทําเป็นกุศลก็ยากอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งซึ่งเราก็อาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะว่าการกระทําหรือพฤติกรรมของเราเนี่ยมันก็มีที่มาอยู่ที่ใจแต่ว่าความหมายเนี่ย มันมีมากกว่านั้นนะยกตัอย่างเช่นสุขหรือทุกข์เนี่ยนะมันก็อยู่ที่ใจนะสุขกายยังไงก็ไม่สมคัญเท่ากับสุขใจเนีย่ยเราเคยได้ยินคำว่ารับที่อยู่ได้รับใจอยู่ยากคนที่ติดคุกอยู่ในที่คับแคบแต่ว่าใจเขาเป็นอิสระ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 มันก็เลือกทุกทรมานมากนะคนที่ติดคุกแต่ว่าใจก็เป็นจะสลาเนี่ยไม่มีความพิษนาจะฆ่าตัวตายไม่มีความพิดที่จะทำร้ายตัวเองเอาหัวโขกอ่าสาราเอาหัวโขกกาแพงหรือโขกเสาแต่คนที่แม่จะมีบ้านหรือคือทหารหลังใหญ่เนี่ย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 มีทุกอย่างในชีวิตนะแต่ว่าไม่สามารถจะหลุดพ้นจากราวาซึมเศร้าได้มันก็เหมือนกับว่าอยู่ในที่ที่คับแคบหรือว่าอยู่ในถังน้ำนะซึ่งหายใจไม่ค่อยได้อึดอัดก็เลยเขาคิดฆ่าตัวตายนั่นแหละเพราะว่ามันมันทรมานเหลือเกิน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 แต่ว่าเป็นโรคชักปวดหัวปวดท้องเรือ้อรังความดันสูงเป็นประจำบางคนก็ถึงขั้นพิการเป็นอัมพึกอัมพาตหรือตาบอดนะในอังกฤษเนี่ยเขาพบ ว, ว่าคนที่ไปหาหมอเนี่ยนะหนึ่งในสามเนี่ยป่วย ด, ด้วยอาการต่างๆอย่างที่ว่ามาเนี่ย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 นะพอถูกกระทาย่ายีความสูญเสียพัดพลาดทำให้เศร้าโศกเสียใจพวกนี้ก็ทำให้ป่วยกายมาป่วยการแล้วก็แย่อันนี้มันก็ชี้เห็นนะว่าเนี่ยความสุขหรือความทุกเนี่ยนะใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะแม้ว่าจะยากจน นะแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่มันลำบากอยู่ในเทะเลทรายนะอยู่ในที่ที่กันดาล น, นะแต่ว่าใจนี่มีความสุขอาจจะเป็นเพราะมีศรัทธาในศาสนาเขาก็มีรอยยิ้มแย้มเบิกบานนะพวกที่อยู่ในเทะเลทรายเนี่ยพวกพู้ชาย หรือพวกที่อยู่ในภูเขาสูงอย่างชาวทิเบตเนี่ยกันดาลตนมาชนต้นก็ไม่เห็นเพราะมันขึ้นไม่ได้มันที่สูงมากพวกนี้ยากจนนะแต่ว่าใจเขามีความสุขเพราะเขามีศรัทธาศรนะัทธาในศาสนาเขาสวดมนต์ทำสมาธิเนี่ยก็สุขได้นะ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 พระอาหารหันต์เนี่ยสมัยวัฏจักรเนี่ยบางท่านพระจักกูบาลเนี่ยท่านตาบอดนะท่านประทับความเพียรนตาบอดเวลาเดินเนี่ยนะเดินเหยียบมดนะพระก็ไปฟ้องผู้เจ้าวนะันเนี่ยพระจักูบาลผิดศีลนะมดตายไปหลายตัวนะผูเจ้าตัดว่าพระจั ก, กูบาล น, นี่ท่านไม่ได้เจตนาพราะตาบอดนะการ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 นะเวลากินข้าวอาบน้ำถูฟันก็มีสติทำความศึกษาอยู่เสมออันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะอาการปฏิบัติธรรมหรือภาวนาเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะเป็นสำคัญไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบนะบางคนไปติดที่รูปแบบมากนะเหน็นเห็นเพื่อนที่อยู่นั่งอยู่ข้างข้างเขาไม่ยกมือเวลา ฟังธรรมหรือวเวลาอยู่บนหอใจก็ไปมองหรือไปคอมเมนต์ว่าเนี่ยเธอไม่ปฏิบัติธรรมอุสาวราไม่ปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็เป็นความคิดที่เกิดกับหลายคนน ะ, ะซึ่งแสดงว่าเขายังไม่ได้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมว่าเขาอาจจะกำลังปฏิบัติอยู่ก็ได้เช่นมีสติการฟังแล้วก็เวลาใจฟุ้งใจลอยก็รู้ทันดึงจิตกรรมมาอยู่กับปัจจุบัน เขาจะไมไ่ยกมือนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยก็คือการเจริญสติหรือการมีสติอยู่กับปัจจุบันนะไปหมองว่าเขาไม่ยกมือแล้วไปสรุปว่าเนี่ยเขาไม่ปฏิบัตินี่ก็แสดงว่าเจอตัวก็ไม่เข้าใจนะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ได้ที่รูปแบบและคนที่คิดอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเรียกว่ากําลังไม่ปฏิบัติอยู่ก็ได้เพราะว่าไปดูใจคนอื่นไปมองคนอื่น หรือมองดูใจตัวเองว่ากําลังมีอาการยกตนข่มท่านหรือเปล่ า, าไปคอมเมนต์เขาไหมนะตัวเองยกมือแต่ว่าใจไปคอมเมนต์เพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆวันนี้ไม่ปฏิบัติเกิดความหลงตัวว่าฉันกําลังปฏิบัติอยู่นะยกมือแต่มีความรู้สึกแบบนี้นะอยู่ในใจก็ไม่เรีปฏิบัติแล้วนะเพราะว่าไม่เห็นกิเลสหรือตัวทิฏฐิตัวมานาที่มันเกิดขึ้นหรือคลองใจอยู่ ยกมือแต่ว่าไม่ดูใจตัวเองก็เรียกว่าไม่ได้ภาวนานแล้วนะั้นเราต้องเข้าใจนะว่าเวลาภาวนานเนี่ยหรือการรักษาศีลหรือการให้ทานเนี่ยรวมทั้งการเจริญไตสิบขาศนะีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยสิส่งสำคัญอยู่ที่ใจนะทำต้งไหนมีใจเป็นใหญ่เนี่ยนะยังลมหมายถึงว่าการรับรว้คนเราด้วยนะ รับรู้ทางตาหูจมกูกลิ้นกายหรือทางใจเนี่ยนะไอ้ตัวการสำคัญคือใจใจเนี่ยเช่นเจตนาหรือว่าความรู้สึกซึ่งอาจจะหมายถึงความอยากความโกรธความเกียก็ได้สภาวะของใจคุณภาพของใจเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการรับรู้นะเมื่อจะเป็นการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทา ง, ทางลิ้นทางกายนะ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 คนที่กาลังหิวก็อาจจะมองไปที่ผลไม้นะที่กําลังที่กาลังห้อยแขนอยู่นะในต้นไม้ส่วนคนที่เป็นคนตัดฟืนนะเาก็ไม่ได้มองไปที่ผลไม้นะแต่เ้ามองไปที่ลําต้นโคนต้นว่ามันจะมันใหญ่หรือเล็กนะหรือมองไปที่กิ่งนะว่าจะาไปทำฟืนได้ไหม คนที่เป็นชาวไร่เนี่ยเขาก็มองอีกแบบหนึ่งน ะ, นะเขาต้องการจะตัดต้นไม้เขาก็จะดูว่าต้นไม้นี่นี่ใหญ่หรือเล็กนะโคนต้นมันตัดได้ง่ายหรือยากนคนที่กำลังมีความรักนะมองไปที่ต้นไม้ก็จะเห็นดอกไม้ดอกไม้สวยนะอยากจะเก็บไปให้แฟนนะมองต้นไม้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 นะเด็กที่กําลังหิวโหวยเนี่ยนะเวลาให้วาดรูปให้วาดรูปเหรียญ น, นะ mm. ก็จะวาดรูปเหรียญเนี่ยใหญ่กว่าเด็กที่ไม่หิวนะเพราะอะไรเพราะว่า เ, เด็กหิวเนี่ยนะก็อยากกินอาหารนะละอาหารจะได้มาก็จากการที่มีเงินไปซื้อนั้นะเด็กเนี่ยก็จะ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 สนใจเรื่องอะไรเนี่ยเช่นอาจจะกำลังคุยกับเพื่อนไอ้ตอนที่คุยกับเพื่อนเนี่ยแม้จะมีเสียงะระฆังมากระทบหูแต่เราก็ไม่ได้ยินนะการที่ไม่ได้ยินเนี่ยนะแปลว่าโสตะวิญญาณไม่เกิดนะเพราะตอนนั้นเนี่ยใจมันกำลังจดจ่อนะอยู่การพูดคุยบางทีมีอะไร ผ่านหน้าแต่ไม่เห็นนะเพราะว่าตอนนั้นกำลังใจลอยนะตอนนั้นเนี่ยใจลอยกำลังกังวลถึงพ่อกำลังห่วงลูกนะอันนี้เรียกว่านะมันเกิดสังขาร น, นะปรุงแต่งขึ้นมาในใจ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนเดินผ่านมาก็ไม่เห็นบางทีเป็นเพื่อนด้วยซ้ำท่า น, นทั้งที่ภาพนเนี่ยมันมากระทบตาแล้ว แต่ว่าใจไม่ไปรับรู้อันนี้ก็เรียกว่าจากักขุวิญญาณไม่เกิดคุยกับเพื่อนแต่ว่าเสียงะระฆังทำวัดไม่ได้ยินนะหรือว่าอาจจะกำลังเช็คลายดูไลน์ดูข้อความเล่น f a c e b o o นะเสียงะระฆังกระทบหูแต่ไม่ได้ยินนั้นะจะได้ยินหรือไม่ได้ยินเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจด้วยนะว่าตอนนั้นเนี่ยใจกาลังสนใจอะไรกาลังอยู่ในภาวะแบบไหน ความสนใจคนเราเนี่ยนะจะรับรู้เรื่องอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ใจเป็นสำคัญก็ เ, เคยมีการทดลองนะเอาอาสาสมัครมาแล้วก็บอกว่าจะตรวจสุขภาพจะตรวจหามะเร็งนะมะเร็งชนิดนี้เนี่ยสามารถจะตรวจได้โดยใช้น้ำลายนะเอาน้ำลายเนี่ยไปไปสัมผัสกับ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 ถ้ามันเปลี่ยนสีแสดงว่าไม่เป็นอะไรคนที่ได้เราการบอกแล้วว่าถ้ามันเปลี่ยนสีแสดงว่าป่วยเนี่ยก็จะดูแบบผันผานไม่อยากเห็นไอ้ความไม่อยากเห็นในใจก็ทำให้ความสนใจที่จะดูการเปลี่ยนสีเนี่ย ม, มันน้อยนะความสนใจคนเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความอยากความไม่อยากด้วยนะ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 ให้ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับโทษของบุหรี่นะแล้วก็มันเป็นเทปนะจากเครื่องเล่นเทปแล้วก็ในคำบรรยายนี่นก็จะมีเสียงรบกวนซึ่งเสียงรบกวนนั้นเนี่ยเราสามารถจะหลีให่ให้มันให้มันให้มันให้มันเบาลงได้ก็เพราะว่าคนที่ติดบุหรี่เนี่ยนะเวลาฟังคำบรรยายนี่ก็จะไม่แตะนะ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 การรับรู้เนี่ยมันจะมันจะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะฟังแต่สิ่งที่เราชอบเราแต่ฟังแต่สิ่งที่มันยืนยันความเห็นของเราอะไรที่ไม่ชอบก็จะผลักไสนะเราสังเกตดนะูคนเราเนี่ยเราจะฟังนะเราจะได้ยินแต่สิ่งที่มันนะสอดคล้องกับความเชื่อความเห็นของเรา เขาเคยทดลองนะเอาคนที่กลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตนะกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตเนี่ยเอามานะมาอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็แต่และคนก็ได้รับข้อมูลว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างมีข้อเสียอย่างไรบ้างนะคนทดลองเนี่ยคิดว่าถ้าคนสองกลุ่มเนี่ยเนี่ย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 อ้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตนะก็จะอ่านแต่เฉพาะข้อเสียของโทษประหารชีวิตไอ้ข้อดีเนี่ยไม่อ่านนะเพราะฉะนั้นความเห็นก็จะยิ่งแต่กันเป็นคนครบขั่วมากขึ้นอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ชี้ว่านคนเราเนี่ยเราจะเราจะได้ยินเราจะรับรู้เนี่ยนะเฉพาะกับสิ่งที่มันยืนยันความเชื่อของเรานะเวลาเราเกลียดใครนะเราก็จะเห็นในข้อเสียงเขาอะ เราไม่ค่ยเห็นข้อดีอของเขาแต่เวลาเราชอบใครนะเราจะเห็นในข้อดีอของเขาเนี่ยไอข้อเสียเราก็พยายามไม่มองนะอันนี้เรียกว่าการรับรุ้คนเราเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะคนเราเนี่ยแม้แม้ว่าจะเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยแม้ว่าจะรับรู้สิ่งเดียวกันเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันเข้าไปในใจเนี่ยมันมันแตกต่างกัน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 รัฐบาลผลพศนี่ก็เป็นคอมมิวนิสต์ก็ยึดครองประเทศ 3-4 ีปีนะคนตายไปล้านสองล้านคนนะที่ตายนี่ก็เพราะถูกฆ่าก็มีนะฆ่านี่ก็ฆ่าแบบโหดร้ายใช้จอบฟาดหัวบางทีก็เอาฝังดินบางทีก็เอามีดปาดคอบางทีก็เอาไม้ตีตีจนตายนะโหดร้ายมากนะ เขาเพราะว่าคนที่คนคอมเมนต์ที่ อ, อพยพยหนีภัยมาเมืองไทยเนี่ยมีจำนวนมากเลยนะที่ตาบอดตาตาบอดเนี่ยมากผิดปกตินะเขาก็สงสัยเป็นพราะอะไรนะข้อสนิษฐานหนึ่งคือว่าเสียใจเห็นคนเห็นคนรักตัวเองถูกฆ่าก็ร้องหมร้องไห้นะจนตาบวมนะแล้วก็จกนกระทั่งตามันบอดไป แต่หลายคนก็พบว่ า, ต า, ต, นะ ต, าสสตานี่ไม่ผิดปกตินะแต่มันมองไม่เห็นก็สงสัยทาไมตาเนี่ยไม่ผิดปกตินะแต่ทําไมมองไม่เห็นเราบว่ามันเป็นเรื่องของใจนะใจมันทนไม่ได้ที่จะเห็นเห็นการทารุณการทรมานโดยเพราะคนรักนะจิตใจมันก็เลยสั่งให้ตาเนี่ยนะบอดซะเลยนะจะได้ไม่ต้องรับรู้นะ ความจริงบางอย่างเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะมันต้องเจอนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกอบคนรอบข้างจะหนีก็หนีไม่ได้นะใจมันก็เลยสั่งให้ให้ให้ตานี่บอดซะเลยจะได้ไม่ไม่ต้องไปรับรู้สิ่งที่มันเอ่อก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานในจิตใจอันนี้มันก็ แสดงนะว่าจิตใจเราสําคัญมากเลยมันมีผลต่อกายมากนะอะไรก็ตามที่ฉันไม่อยากไม่อยากรับรู้ฉันไม่อยากได้ยินนะก็ถ้าตาไม่บอด ก, ก็บางทีก็เป็นลมไปเลยนะประเภทช็อกไปเลยนะเพราะว่าทนที่จะเห็นต่อไปไม่ได้แนละ้วไอ้เรื่องพวน้นนะี้เป็นสิ่งที่เรานะ น, าน่าจะรับรู้เอาไว้นะว่า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 อย่างที่ตรงความเป็นจริงนะเสมอไปนะส่วนใหญ่สิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมันไม่ตรงความเป็นจริงหรอกนะแต่มันตรงกับความต้องการของเรามันสอดคล้องกับความต้องการของเราหรือว่ามันถูกปรุงแต่งนะด้วยอารมณ์นะในจิตใจของเรานะคนที่จิตใจสบายนะตอนเช้าก็จะรู้สึกอากาศมันแจ่มใสามากคนที่จิตใจหมน่นหมอวิตกกังวลเนี่ยจะรู้สึกว่า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 เพรา้นเราจะเห็นเสี่งต่างๆตามความเป็ น, นจริงได้เนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันอัคตินะหรืออารมณ์ที่มันมันเกาะกุมใจด้วยไอ้พวกนี้มันเหมือนกับแว่นนะเราคิดว่าเรามองเห็นสิ่ตงตาตามความเป็นจริงแต่ว่าจริงๆแล้วเราใส่แว่นนะแว่นบางคนก็บางครั้งก็เป็นสีเขียวบางครั้งก็เป็นสีเหลือง <of> orange, บางครั้งก็เป็นสีแดงบางครั้งก็เป็นสีดําสีคล้ําเราไม่ได้เห็นเสี่งต่าง AR, นะด้วยตาเปล่านะอันนี้ เป็นอุปมาอุปไมยนั้เราเห็นสิ่งต่างๆผ่านแว่นนะแล้วแว่นเนี่ยมันก็มีสีต่างๆกันแล้วแต่สภาวะอารมณ์นั้นจำเป็นมากนะที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆความเป็นจริงนะถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อแล้วเราก็จะเข้าใจเรื่องใจละนะว่าโอ้ถึงต่างเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยนมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ที่เราเห็นไม่ได้แบบนั้นเพราะว่าใจเราเนี่ยมันยังมีความอยากอยากจะให้เที่ยงอยากให้เป็นสุข เห็นส <necessary. S 2> <He Box S 1> ิ่งต่างเป็นตัวเป็นตนด้วยอํานาจของวิชาแต่ว่าเราก็สามารถจะมองเห็นสิ่งต่างตามความเป็นจริงได้นะเริ่มจากการที่เราพยายามฝึกสติสติเนี่ยนะมันเป็นตาในนะที่ทําให้เราเห็นตอนแรกเนี่ยจะไม่เห็นอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งต่างภายนอกนะแต่จริงจริงแต่ว่าสติมันทำให้เราเห็นกายและใจเนี่ยตามความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ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 มันเป็นรูปเดินอ๋อที่คิดเนี่ยมันเป็นใจคิดนะมันไม่ใช่เราคิดน่นนี่เริ่มเห็นความเป็นจริงแล้วและถ้ามีสติไวมันจะเริ่มเห็นอคตินะที่มันอยู่ในใจนะเห็นความกลัวเห็นความอยากเห็นความโลภนะการที่เราจะเห็นอคติที่อยู่ในใจเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติบ่อยๆเนี่ยนะมันจะเห็นความกลัวเช่นตอนที่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 แถบสีพอเราเห็นความกลัวที่มันเกิดขึ้นในใจนะความกลัวก็หายไปนะแล้วเราก็พบว่าอจริงๆแล้วนี่นะเราก็สามารถจะมองเห็นสิ่งที่มันเราไม่อยากจะมองได้นะเรากลัวไม่อยากเห็นนะแต่พอเราไม่มีความกลัวเราก็สามารถจะมองด้วยความด้วยสายตาที่เป็นกลาง นะถ้าเรามองด้วยด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็อาจจะรู้แล้วว่าอ๋อนะีจริงๆแล้วเนี่ยนะไอความอยากของเราที่อยากจะให้มันเปลี่ยนสีเพราะว่าถ้าเปลี่ยนสีแสดงว่านะเราปกติเราไม่เป็นอะไรเราไม่เป็นมะเร็งนะไอตัวนี้เนี่ยนะเราก็รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนะมันมีความอยากจะเห็น มันไม่ได้เปลี่ยนสีเท่าไหน่แต่ก็ยังอยากจะเห็นว่ามันเปลี่ยนสีบางคนก็เห็นมันเปลี่ยนสีจริงๆนะสำหรับคนที่รับการบอกเราว่าถ้าเปลี่ยนสีแสดงว่าไม่ป่วยเนี่ยมันก็พานจะเห็นว่ามันมีสีเปลี่ยนอันนี้เพราะว่าใจมันอยากจะเห็นเพราะว่าใจเนี่ยมันอยากจะรับการยืนแล้ว่าฉันไม่เป็นอะไรไม่เป็นมะเร็งแต่พอมีสติรู้ความอยากนะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย